ชนิดหนึ่งนะมันโปรดปรานเต่าทองมากเลยเวลามันบินไปเจอเต่าทองเนี่ยมันจะเข้าไปต่อยนะไม่ใช่เพื่อกินนะแต่เพื่อที่จะฉีดไข่ลงไปนะในตัวเต่าทองไข่เนี่ยมันก็จะค่อยเติบโตเป็นตัวอ่อนแล้วก็กิน อวัยวะภายในนะของเต่าทองแต่ว่ากินเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นตายนะก็คือเลี้ยงเต่าทองเอาไว้แล้วพอมันโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาจากตัวเต่าทองแล้วก็มาสร้างรังอยู่ตรงหน้าท้องนะคล้า ย, ายว่าพอมันกลายเป็นดักแด้เนี่ยมันก็ต้องออกมา รังเนี่ยก็เหมือนกับคล้ยเป็นทาด้วยมันก็รังไหมะนะอยู่ตรงหน้าท้องของเต่าทองคราวนี้เนี่ยออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายนะเพราะว่าอาจจะมีนกอาจจะมีอะไรมากินมันได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอไปอาศัยเต่าทองเนี่ยเพื่อเธอช่วยปกป้อง ไอตัวดักแด้เนี่ยของตัวต่อนี่เอาไว้วิธีการคือว่าไปบังคับบงการให้เต่าท้องเนี่ยมันขยับแข้งขยับขาที่ยิงตัวนเป็นอวมพาสนะเพราะว่ามันโดนโดนคล้ายๆว่าโดนเชื้อจากตัวอ่อนเนี่ยทาให้เป็นอวมพาสแต่ว่าขาเนี่ยมันจะขยับขยื่นได้เพื่ออะไรนะเพื่อขับไล่สตรูนะ คือถ้าถ้ามันยังเหมือนกับว่ายังมีการขยับเขยื้อนขาได้เนี่ยศัตรูก็ไม่กล้านะเพราะว่าเต่าทองเนี่ยมันก็ก็มีพิษของมันนะสัตว์ที่เป็นคู่ปรับตามธรรมชาติพอเห็นเต่าทองมันขยับแข้งขยับขามันก็ไม่กล้ามากินซึ่งก็เป็นการช่วยปกป้องอตัวดักแด้นะของ ต่อชนิดนี้เอาไว้พอมันโตเต็มไว้มันก็ออกมาจากรังนะส่วนเต่าทองก็ตายนะเพราะว่าข้างไหนไม่เหลืออะไรแล้วนะอันนี้ก็เป็นความฉลาดนะของตัวต่อนะที่มันอาศัยประโยชน์นะจากเต่าทองแล้วก็ทั้งที่ตัวมันเล็กนะแต่มันก็สามารถจะใช้เต่าทองให้กลายเป็นองค์รักษ์พิทักษ์ตัวมันได้นะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เพราะมันมี มีเขาเรียกว่าปรสิตนะหรือพวกพาราไซ์หลายชนิดเดียนะที่มันใช้วิธีการคล้ายๆกันนี้ อ, อย่างเช่นมีปรสิตเนืดเด้เนื้อมันมันจะชอบหนูมากเลยพอมันเข้าไปในตัวหนูนี่นะมันก็จะบังคับหรือบงการให้ตัวหนูเนี่ยมันมันไม่กลัวไม่กลัวแมว ปกติเนี่ยพอมาได้กลิ่นแมวเนี่ยมันจะหนีเลยแต่ว่าพอปรสิตเนี่ยมันเข้าไปในตัวหนูเนี่ยมันไม่กลัวแมวเลยมันได้กลิ่นก็เฉยมันก็แถมเดินเข้าไปหาแมวได้ซ้ำเพื่ออะไรนะเพื่อให้แมวกินนะแมวกินเสร็จเนี่ยปรสิตนั้นก็จะไปโตในท้องของแมวเรียกว่าวงจรมันครบรอบตรงนั้นนะแต่และแมวก็ถ่ายออกมาเป็นพอถ่ายออกมาขี้มันก็มีปรสิต แล้วมันก็เข้าสู่ตัวหนูแล้วก็มันก็ไปบังคับหนูให้ทำตัวนะเป็นอันตรายต่อตัวมันเองก็คือเดินซึ่มซุ่มซ่ามเพ่นพ่านนะไม่ไม่มีคำว่ากลัวนะมีแต่คำว่าบาระหัมนะเดินให้แมวนี่กินก็้มีปราเสชนิดหนึ่งนะันมันชอบตัวมอดมากเลยนะพอมันเข้าไปในตัวมอดเนี่ยไอ้มอดเนี่ยมันจะไม่กลัวนกมันก็จะ ออกมาเพ่นพาด น, นะเจอนกมันก็ไม่หนีนะนกก็กินมันแล้วปรสิตก็จะไปโตในท้องนกนะแล้วก็เติบโตเต็มวัยแล้วก็ออกมาทางขี้นกเนี่ยอยันนี้ก็เพราะว่ามันมีกลอูบายนี้เนี่ยนะที่สัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันฉลาดมากนะดูเหมือนมันไม่มีอะไรนแต่มันสามารถจะ บงการสัตว์นิอื่นทึ่งตัวใหญ่กว่าเนี่ยให้ให้ทาหรรน้าที่เป็นองครักษพิทักษมันบ้างจนตัวตายหรือไม่ฉะนั้นก็มีพฤติการที่สุ่มเสียงบ้าระหัมนะจนกระทั่งหมดสภาพไปฉะนี้คนเราเนี่ยน ะ, ะโชคดีก็ได้นะหรื อ, อยังน้อยตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู่นะที่เราไม่พบว่ามันมีพวกปรสิตหรืออ่า พวกมแมลงนะที่มันมาคอยบงการเราให้ทำหน้าที่พิทักษ์มันนะเหมือนกับเต่าทองหรือทำอะไรบ้าระห่ำเหมือนกับพวกหนูพวกมอดนะที่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างนะที่น่ากลัวกว่าก็ได้ที่เข้ามาบงการนะมนุษย์เรานะ มาบงการจิตใจบงการพฤติกรรมของเรานะให้ทําตัวเป็นอันตรายยังมีนิสัยบางอย่างซึ่งคนโบนราณเขาเรียกว่าเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ม, มันก็ถูกสิงนะอย่างเช่นเขาเรียกว่าผีสุราเนี่ยผีสุราเนี่ยพอมันเข้ามาสิงในใครแล้วเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมนะที่ทําให้บั่นทอนทําร้ายเป็นภัยกับตัวเอง แล้วก็ทำให้ตกยูนแอมน้าของผีสุราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นคนที่ติดเหล้าเนี่ยไม่ว่าเพราะสาเหตุใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะเครียดหรือเป็นเพราะว่ า, าสังสรรค์กับเพื่อนนะต้องการเข้าสังคมจนติดเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองเรื่อยๆนะเช่นไม่เป็นอันทำงานบ้างละ หรือว่าทะเลาะเบาแว้งบ้างละ่ะกับเพื่อนร่วมงานบ้างกับคนในครอบครัวบ้างหรือว่าเพลินกับการกินจนไม่เป็นอันทำงานเป็นหนี้เป็นสินนะเสร็จแล้วก็จะมีความเครียดนะพฤติกรรมเราเนี่มันําไปสู่ปัญหาในชีวิตปัญหาในที่ทำงานแล้วก็จะเครียดพอเครียดแล้วทำงานก็ต้องกินมากขึ้นอาภีสุรามก็เข้ามาครอบงาหนักขึ้น แล้วพอเครียดหนักเครียดหนักนะก็กินมากขึ้นมากขึ้นเราอยู่ในอำนาจของผีสุราคราวนี้อาจจะทั้งวันเลยก็ได้นะแต่ก่อนอาจจะเป็นบางช่วงของวันแต่คราวนี้หนักเลยนะชีวิตก็ยำแยนะ่สุขภาพก็เสื่อมโทรมนะแถนเนี่ยอยู่ในอำนาจของผีสุลาเนี่นะจนกระทั่ ง, งโงอหัวไม่ขึ้นเลยแล้วพอพอเอะอะนะ มีปัญหาอะไรก็จะกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าเนี่ยมีหมอคนนึงเล่าว่าเนี่ยเจอคุณลุงคนหนึ่งนะแกแกติดเหล้าจกนกระทั่งร่างกายแย่มาหาหมอนะหมอก็รักษาไปแล้วก็แนะนํำนะว่าให้เลิกเหล้าซะแต่แกก็ไม่ยอมเลิกเหล้าแกก็พอป่วยทีไรก็มาหมอในจากแนะนําเนี่ยนะก็เป็นการอ่า เรียกว่ากดดันเลยนะว่าให้เลิกเล่าให้ได้บางทีขู่ได้ซ้ําว่าจะไม่รักษาแล้วนะเพราะว่าลุงเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแล้วก็หมอก็บอกหลายครั้งแล้วว่าให้เลิกเล่าสักทีเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแต่แกก็เลิกไม่ได้สักทีแล้วก็โสมซานมาหาหมอจนกระทั่งหมอเรำอดรนสงสยัยทนไม่ได้ถามว่าเนี่ยทําไมถึงกินเล่าไม่เลิกสักที แกก็บอกเครียดนะหมอก็ถามว่าเครียดอะไรแกบอกว่าเครียดที่เลิกเหล้าไม่ได้สักทีนะคือคนเราเนี่ยนะพอเครียดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไอตัวผีสุราก็จะหาเหตุว่าเ้ยต้องกินเหล้าแล้วมันก็จะเอาหาข้ออ้างแม้กระทั่งว่าเลิกเหล้าไม่ได้เลิกเหล้าไม่ได้เพราะนั้นก็เครียดเพราะนั้นต้องกินเหล้ากินเหล้าเพื่อจะได้คลายความเครียดจากการที่ เลิกเล่าไม่ไม่ได้สักทีอันนี้มันก็ก็เหมือนกับนะพฤติกรรมของพวกหนูนะที่มันทำร้ายตัวเองนะมันไม่ค่อยรู้จักรักตัวเองเท่าไหร่เหมือนคนที่ติดเหล้าติดสุราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแต่พวกเราหลายคนนะอาจจะไม่โดนผีสุราครอบงำนะแต่ว่าจะโดนตัวอื่นนะ มันเข้ามาเล่นงานก็ได้ที่ง่ายๆคือตัวโกรธนะตัวโกรธตัวตัวเศร้าเนี่ยนะพอมันเข้าไปในใจเรานะมันก็จะบงการเรานะมันก็จะบงการให้เราเนี่ยนะทำในสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อตัวเราเป็นภัยต่อตัวเราแล้วคนที่พอโกรธสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกไป จะเป็นการต่อว่าจะเป็นการา ต, ตําหนิตีเตียนผู้อื่นหรือว่าสร้างปัญหาแก่ใครเนี่ยก็จะยิ่งเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเล่าที่ทําให้โกรธมากขึ้นนะเพราะพ อ, พ อ, พอทํำไม่ดคนะีคนอื่นนะคนอื่งเขาก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์นะพอตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์เขาต่อว่าหรือเขาตอบโต้กลับมาก็โกรธนะให้ความโกรธมันยิ่งฝังใจมากขึ้น และยิ่งกว่า น, นั้นนะพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็จะบงการให้เราเนี่ยเป็นองค์คลักพิทักความโกรธนะจะพิทักษตัวมันเอาไว้นะจะพยายามที่จะรักษาความโกรธเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะห่วงแหนมากนะคนที่โกรธมากๆเนี่ยนะเวลามีเพื่อนหรือว่ามีลูกมีใครมาแนะนำนะว่าอย่ากโกรธเขาเลยนะ เขเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าบางทีก็แนะนําว่าให้อาภายัยเขาไปเถอะนะโกรธไปเนี่ยมันก็เผาล้นจิตใจความโกรธนี่มันจะไม่พอใจมากนะมันจะสั่งให้เราเนี่ยไ ป, นะไปตอบว่านะไปตอบโต้คนที่แนะนําอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าทําตามคำแนะนําเนี่ยความโกรธมันก็จะ มีพิษสงครอบงำจิตใจเราน้อยลงมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปมันกลัวนะว่ามันจะออยู่ไม่ได้นะถ้าว่าเราทําตามคําแนะนําของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สั่งให้เราไล่ตะเพิดเลยนะใครมาแนะนําอย่างเนี้ยอย่างมีอามาอ่าคนหนึ่งเป็นคนที่ขี้โกรธมากที่กัน์นิสัยดีนะแต่ว่าเวลานึกถึงคนคนหนึ่งหรือพูดถึงคนคนนึงเนี่ย จะโกรธมากเลยนิสัยจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเคยช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็กลับในละคุณไม่สำนึกบุญคุณไม่พอยังยังในละคุณด้วยก็เป็นอย่างนี้มานะสามสิบปีแล้วนะมันก็ยังคลองติดคลองใจเนี่ยพอพูดถึงเทอรก็โกรธลูกสาวนี่ก็กลัวว่าแม่นี่นะ จะป่วยเพราะไอ้ความโกรดนี่แหละและที่สาคัญคือพอตายเนี่ยถ้ายังละทิ้งความโกรธความพยาบาาไม่ได้เนี่ยแม่ลูกสาวกลัแม่จะไปอบายก็ขอร้องว่าให้แม่นี่ยให้อภัยก็ไปเถอะโอแม่ไม่พอใจลูกสาวนะว่าลูกสาวเหมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยกําลังจะมาแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่ไอ้ความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ควรรักพวงห่วงแหนที่ไหน เออถ้าแม่เออถ้าลูกเนี่ยมาขอเพชรขอพลอยขอที่ดินจากแม่เนี่ยเออนะก็น่าจะโกรธลูกนะเพราะว่ามันเป็นของมีค่าแต่ความโกรธมันไม่ใช่เป็นสิ่งมีค่าเลยเลยแต่ว่าทำไมถึงหวงแหนหนักนะทําไมถึงต้องต่อว่าลูกนะว่าความโกรธเนี่ยมันสั่งให้อาม่าเนี่ยเป็นองค์คลักพิทักษ์ตัวมันไปนละก็เลยไล่ตะเพิดลูกสาวเนี่ย ความเศร้าก็เหมือนกันนะตัวเศร้าเนี่ยพอมันคลองใจนะมันก็จะบงการให้เราเนี่ยจอมจอมนะอยู่กับความเศร้าใครจะมาชวนไปไหนชวนไปเที่ยวนะไม่พอใจเขานะนะความเศร้านี่มันจะสางให้เราเนี่ยไล่ตะเพิดคนเหล่านั้นไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันะจนจะขอนั่งเจ้าจุอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เรากลายเป็นองค์ขลักพิทักความเศร้าไปซะละ นะใครจะมาชวนนั้นทำอะไรทาอะไรใครจะมาชวนไปปฏิบัติธรรมใครจะมาชวนไปเที่ยวนะหรือแม้แต่มาพูดคุยเพื่อให้เราหายเศร้านี่เราจะโกรธมากจริงๆไม่ใช่เราโกรธนะแต่ความโศกตัวโศกตัวเศรเนี่มันโกรธมันก็จะสั่งให้เราไปว่าเขายังมายุ่งกับฉันไปได้แล้วเนี่ยเพราะมันรู้ว่าถ้าหากว่ามีใครเนี่ยถ้ า, าว่าเราเนี่ยนะลุกไปทำอะไรเนี่ย ไอ้ความโศกความเศร้ามันจะคลายไปมีหมอเด็กคนหนึ่งนะสามีตายเ้วก็เศร้ามากนะเพราะว่าอายุของสามีก็ยังไม่มากนะงานศพผ่านไปเธอก็ยังไม่หายเศร้าเวลามาทำงานก็ซึมอยู่ในห้องของตัวเองเป็นหมอใหญ่ด้วยผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังไม่ขยยิง่งียขยับออกไปทำงานสักที ทีแรกเพื่อรุม ง, งานพยาบาลก็เห็นใจแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามันชักจะนานไปแล้วแล้วคนไข้ก็จะจมอยู่ในความโศกความเศร้ามากพยายามชวนออกไปนะไปเที่ยวก็ไม่ไปพยายามอขอร้องให้ไปช่วยรักษาเด็กก็ไม่สนใจออกไปข้างนอกไปที่วอร์ก็ไม่ไปวันหนึ่งหัวหน้าพยาบาลก็เลยเอาเด็กนะเอาทารกมาวางไว้ที่โต๊ะถารกจากหอผู้ป่วยนั่นแหละ หมอก็ไม่สนใจไม่สนใจก็ซึมต่อไปแต่พอเด็กร้องนะก็ปล่อยให้ร้องต่อไปนานก็ลาคาญก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้อเด็กฉีนะก็เปลี่ยนผ้าอ้ อ, อมเปลี่ยนเสร็จเด็กสพักสักชั่วโมงเด็กก็ร้องอีกเลยลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้อเด็กไม่สบายก็ให้ยาไปพอเลิกงานนะห้าโมงเย็นก็เอาเด็กไปคืนที่วอร์ดกลับบ้าน วันลุ้นขึ้นมานี่บอกว่าประโยคแรกที่หมอถามก็คือเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วสนใจแล้วคราวนี้แล้วก็เข้าไปที่วอดเด็กแล้วก็ดูแลเด็กคนนั้นแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นต่อไปทีล้น้อยเทีล้น้อยความเศร้าโศกก็หายไปคือความเศร้าโศกเนี่ยในเรือตัวเศร้าเนี่ยมันรู้นะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะออกไปทํานั่นทานี่เนี่ย ความเศร้าโศกจากใครมันจึงไม่ยอมไงนะใครมาชวนให้เราไปไหนเราก็จะวยวายนะไล่ตะเพิดเข้าไปจะมายุ่งกับฉันนะนี่ตัวโศกมันสั่งนะเพื่อจะได้คลองจิตคลองใจเราไปได้นานๆและไม่ใช่เท่านั้นนะมันก็จะพยายามที่จะหาอุบายนะที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในอำนาจของมันมากขึ้นเวลาเราโกรธใครก็ดีเวลาเราโศกเศร้า ในเรื่องใดก็ดีเนี่ยนะเราก็จะไปขุดคุยไอความไม่ดีของเขานะอาจจะถอยหลังก็ไปสิบปีที่แล้วหรืออาจจะถอยหลังถึงยี่สิบปีที่แล้วทั้งที่เขามีความดีมากมายเอื้อเฟื้อเกอืก้อกูลเรามากมาแต่เราก็จะใจเราก็จะไปขุดคุยแต่ไอความไม่ดีของเขาเพื่อมาตอกย้ําหรือเพิ่มพูนนะความกรัให้มากขึ้น ตัวโกรธมันจะได้มีอิทธิพลครองจิตครองจาจเราได้นานๆแล้วก็แน่นหนามากขึ้นเในเราเราโศกเศร้าเสียใจเนะี่ยมันเราก็จะความเศร้าเนี่ยมันไปสั่งให้เราเนี่ยไปจมอยู่ออกับความเศร้าหรือไปขุดคุยเรื่องเศร้าๆนะที่ทําให้เราสึกแย่กับตัวเองบัางทํำให้สุดน้อยเนื้อต่าใจในใชะตากรรมของตัวเองบ้างว่าทําไมฉันเคราะร้ายแบบนี้นะหรือว่าทําไมฉันแย่แบบนี้ทําไมฉัน ทำผิดทำพลาดเป็นประจำเห็นแต่ความล้มเหลวเห็นแต่วความผิดพลาดนะเพื่ออะไรนะเพื่อไอตัวโศกเนี่ยมันจะได้ครองจิตครองใจเราได้นานๆแล้วเนี่ยคืออุบายของมันนะและที่สำคัญอันนั้นคือว่าพยายามให้เราส่งจิตออกนอกไม่ให้กลับมาดูตัวเองใหาไม่ให้เรากลับมามองตนโกรธใครเนี่ยก็จะจิตมันก็จะไปเพ่งอยู่กับเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธนะ คนที่ทําไม่ดีกับเราคนที่ต่อว่าด่าทอเราหรือว่าคนที่ทําให้เรานะมีความเศร้าโศกมันจะดึงจิตของเราออกไปข้างนอกเพราะว่ามันกลัวว่าถ้าเรากลับมามองตนกลับมาดูจิตดูใจใจะเห็นมันนะกลังอารวาจกาลังก่อกวนปั่นป่วนอยู่ข้างในไอต้ตัวโศกตัวเศร้าตัวโกรธเนี่ยมันกลัวนะมันกลัวกลัวถูกรู้ถูกเห็น ถ้าใจเราไปเห็นมันเมื่อไหรเนี่ยนะมันจะอ่อน ย, ยบุบย้ามันจะเรียกว่าเลือนหายไปเลยจุดอ่อนมันอยู่ตรงนั้นนะถึงแม้ว่ามันจะเก่งมีอุบายมากมายนะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้งั้นถ้าเราเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าจิตใจกําลังทุกข์ชีวิตกําลังย่ําแย่หรือว่ากําลังเผลอทําในสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อตัวเองอย่านงะเช่น เศร้าโศกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันทํางานเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจใครมาพูดมาคุยก็ขับไล่ไล่ตะเพิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเฉลียวใจตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นโทษนะหรือวเวลาโกรธโกรธจนกระทั่งตัวสั่นโกรธจนป่วยนะความดันขึ้นถ้าว่าเฉลียวใจตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็อยากจะอยากจะให้ไอตัวโกรธตัวเศร้าเนี่ยมัน สลายหายไปเนี่ยไม่มาบงการจิตใจเนี่ยต้องกลับมาหมั่นดูจิตดูใจของตัวเองบ่อยๆนะหมั่นดูใจของตัวเองสตินี่สําคัญมากเลยสตินี่มันเป็นปฏิปักษ์โดยตรงนะกับไอ้ตัวโกรธตัวเศร้าแล้วก็ตัวทุกข์ทั้งหลายมันเป็นภูมิที่คุ้มกันจิตใจของเราดางกายเราก็มีภูมิคุ้มกันนะที่คอยคอยกินคอยกําจัดเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในร่างกายไม่ให้เข้าม า, ายึดครองจิตใจของเราไม่ให้ยึดครองร่างกายของเราหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราจิตใจเราก็มีตัวเนี่ยสตินี่แหละนะที่สามารถจะเล่นงานหรือจัดการกับไอ้ตัวโศกตัวเศร้าตัวโกรธนี้ได้สติไม่ได้ทำอะไรมากนะแค่รู้แค่ทําให้ใจรู้ทันนะพอรู้ทันเนี่ยนะมันก็ อย่างคลายไปงนั้นการสร้างสติเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญและจําเป็นมากนะสำหรับการที่จะช่วยรักษาจิตใจเนี่ยให้เป็นปกติสุขนะไม่ให้้หตัวโกรธตัวเศร้าวรวมทั้งตัวโลภนะแล้วก็ตัวรู้สึกผิดเนี่ยตัวเครียดเนี่ยเข้ามานะครองจิตหรือบงการชีวิตของเรา การมาเจริญสตินะอันเนี้ยนะมันเป็นหัวใจเลยนะจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เราเนี่ยมได้มารู้ทันจิตใจของเรานะใจมันกระเพื่อมก็รู้ว่าใจกระเพื่อมใจโกรธก็รู้ว่าโกรธนะใจเศร้าก็รู้ว่าเศร้าและไม่ต้องรอให้มันเศร้านานเพราะยิ่งเศร้านานมันยิ่งฝังลากลึกของจิตของใจเรามากขึ้นถ้ารู้ตั้งแต่ต้นมือนะ มันก็จะหลุดจะสลัดจะเป็นอิสระจากมันได้ไวการเจริญสติเนี่ยนอกจากการเจริญสติในรูปแบบนะอย่างที่เราปฏิบัติที่นี่เช่นการเดินจงกรมการยกมือเป็นจังหวะหรือเรียกว่าสร้างจังหวะเราสามารถจะเจริญสติได้ในชีวิตประจำวันหลักง่ายๆคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าทาอะไรใจก็รู้สึกนะ เวลาตัวเราอยู่ในห้องน้ำใจเราก็อยู่ห้องน้ำนะเวลาตัวเราอยู่ห้องนอนใจเราก็อยู่ห้องนอนไม่ใช่ตัวอยู่ห้องนอนแต่ใจนี่ไปอยู่ที่ทำงานแล้วก็เรียกว่าก็เลยทำให้นอนไม่หลับนะบางทีตัวอยู่บ้านนะอยู่กับลูกนะแต่ใจเนี่ยนะไปไปนึกถึงที่ทำงานแล้วก็เลยเครียดก็เลยหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีก็ระบายใส่ลูกทั้งที่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะแต่ว่า เป็นเพราะเครียดเรื่องงานก็เลยระบายใส่ลูกนะอันนี้ลาตัวกับใจมันอยู่คนละที่ลองฝึกดูนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าทำอะไรก็ทำทีละอย่างนะเวลาอาบน้านะก็อาบน้าอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ต้องนึกว่าเดี๋ยวจะต้องทำอาหารอะไรให้ลูกกินนะไ ม, ไม่ต้องวางแผนเรื่องงานเรื่องการนะลองวางมันลงดูบ้าง ถ้าจะคิดเรื่องงานเรื่องการก็ให้คิดเป็นเรื่องเป็นลาวนะไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่ถ้าจะทำอย่างอื่นเช่นอาบน้ํากินข้าวนะใจเราก็อยู่อาการอาบน้ํากินข้าวลองฝึกทำทีละอย่างดูนะเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเราก็กินทีละคําเวลาเราเดินก็เดินทีละก้าวนะกินทีละหลายคําก็แย่นะเดินทีละหลายก้านี่ก็อาจจะหกล้มเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทาทีละอย่าง นะมันจะสร้างนิสัยที่ทําให้เรามีสติมากขึ้นนะเวลาจะทํำลายใจก็อยู่กับสิ่งนั้นนะได้อย่างต่อเนื่องไอความวิตกกังวลก็จะรบกวนจิตใจเราน้อยทํางานตอนเช้าก็อย่าเพิ่งไปนึกถึงงานตอนกลางวันนะทํางานอะไรอยู่ข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปนึกถึงอีกสิบอย่างที่มันคาอยู่หลายคนเนี่ยพอทํางานเนี่ยทำงานข้างหน้าแต่พอไม่นึกถึงงานอีกสิบอย่างที่มันยังคาอยู่นะ มันท้อเลยมันหนักใจเลยแล้วก็เลยไม่เป็นอันทํางานที่อยู่ข้างหน้าอันนี้ยอยู่กับปัจจุบันนะทำทีไรอย่างก็เป็นการจรสติที่ดีนะที่ถ้าเราทำมันทำเป็นนิสัยเนี่ยไม่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันรักษาจิตใจนะเวลามีความเครียดความวิตกกังวลความหนัก อ, อกหนักใจความโกรธความเศร้า มันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราไม่ได้นานมันโผล่เข้ามาไปเดียวเดียวมันก็นะล่าถอยไปนะเพราะว่าใจเนี่ยมันมีสติเป็นเครื่องรักษามันก็มียามเฝ้าแล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งนะั่นนอกจากการทำทีลยอย่างหรือว่ารักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลนะต่อการที่เราจะมีสมาธิหรือมีสติ สิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพากันบันทอนสติสมาธิของตัวเองนะด้วยการนะปล่อยใจให้วอกแวกไปกับสิ่งภายนอกและเด๋ยวนี้มันมีสิ่งเล่าที่คอยทำให้ใจเราเนี่ยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะสิ่งสำคัญอย่างนี้คือโทรศัพท์มือถือนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ทำให้เรา ไม่สามารถจะมีสติ ก, กับอะไร ไ, ได้นานๆใจมันจะคอยพรวงนะมันจะคอยบอกแวกก็ เ, เคยทดลองนะให้คนเนี่ยทำกิจกรรมนะโดยใช้คอมพิวเตอร์นะมีโจทย์ให้ทำให้แก้แล้วก็คนกลุ่มหนึ่งนะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะข้างๆข้างๆคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่า เอาจอเนี่ยนะเอาจอเนี่ยปิดเอาไว้นะแล้วก็ปิดเสียงด้วยอีกกลุ่มนึงเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปไว้อีกห้องหนึ่งเลยนะคือไม่ต้องเห็นแเาเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่มีโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วมองเห็นแม้ทั้งทั้งที่ปิดจอหรือว่ า, าปิดเสียงเนี่ยปรากฏว่าทำโจทย์ นะทำการบ้านที่เขามอบหมายเนี่ยไม่ดีเท่าคนในกลุ่มหนึ่งที่เอาโทรศัพท์เนี่ยไปไว้อีกห้องหนึ่งเลยแปลว่าอะไรเพราะคนกลุ่มแรกเนี่ยไม่มีสมาธิใจมันโพวงบางคนก็อาจจะอยากจะพลิกดูโทรศัพท์ว่าเออมันมีข้อความอะไรบ้างนะหรือบางคนก็อาจจะพยายามหักข้ามใจว่าอย่าอย่าไปพลิกดูอย่าไปเปิดดูอย่าไปเช็คข้อความนะ แค่คิดแบบนี้เข้าเนี่ยใจมันก็วอกแวกละไม่มีสมาธิ ก, กับการนะทําโจทย์ที่ได้รับมอบหมายแล้วปกติคนเราเนี่ยมันเราไม่ได้ปิดจอนะเราไม่ได้เราไม่ได้กลับเครื่องนะเราก็เปิดนะเราก็วางเครื่องชนิดที่ว่ามองเห็นจอได้ง่ายแล้วมันจะมีข้อความเข้ามานะทางไลน์ทาง facebook เดี๋ยวมันก็มี บอลลูนสีแดงนะในในชนะ็อตคัดของหน้าเครื่องนะว่ามีข้อความเข้ามาแล้วเราก็อดรนทนไม่ได้ทำอะไรก็ตามเนี่ยใจเราก็ไม่สามารถจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆนะเพราะว่ามันมีตัวที่คอยดึงจิตออกไปและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมารบกวนเราเนี่ยจะเรียกว่าทุกสามนาทีทุกห้านาทีเลยก็ว่าได้ สมัยก่อนนี่คนเราถูกรบกวนประมาณทุกแปดนาทีนะเมื่อสมัยก่อนคือสิบปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันทุกสามนาทีและนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าสามปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันจะรบกวนเราเนี่ยอาจจะทุกนาทีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคนสมัยเนี้สติเนี่ยแย่มากเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสติอยู่กับอะไรได้นานๆไม่สามารถ จะมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ข้างหน้านะได้ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีโทรศัพท์นี่แหละนะที่คอยมาดึงความสนใจอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งนะของคนสมัยนี้แม้จะปิดโทรศัพท์นะแม้จะปิดเครื่องไปเลยนะระห ว, ว่างไว้ข้างหน้าเนี่ยมันก็อดไม่ได้นะอยากจะเปิดเครื่องเพื่อจะจะมาใชคข้อความเดีย๋ยวนี้เราเป็นกันถึงขนาดนี้แล้ว แต่เดี๋ยวนี้เขเพบว่าระยะเวลาในการจดจองคนเราเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยมันสั้นมากสิบปีก่อนประมาณสิบสองวินาทีแตเดี๋ยวนี้ประมาณแปดวินาทีขึ้นนั้นแหละเขาว่ามันสั้นกว่าป่าทองนะป่าทองเนี่ ย, ยความสนใจในประมาณเก้าวินาทีนะแล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นแต่คนเราเนี่ยลดเหลือแปดวินาทีนะมันน้อยกว่าป่าทองอีกนะมันแย่แล้วนเนี่ยแล้วถ้าเรา ปล่อยให้เราเนี่ยนะนะอยู่ใต้อิทธิพลของโทรศัพท์มือถือแบบนี้ mm hmm. ก็คงจะโดนไอ้ตัวโศกตัวโกรธนะหรือว่าอาจจะถึงขั้นผีสุรานี่เข้ามาครอบงำแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นซอมบี้ไปเลยก็ได้นะซอมบี้ในะในหนังเนี่ยมันไปทำร้ายคนอื่นนะแต่ซอมบี้ในโลกจริงๆเนี่ยมันทำร้ายตัวเองนะอันนี้ต้องระวังมากเอาละชานิวพุทนทนีกราบครบ